คำท้ายคือปัญญาเป็นตัวกลางร่วมกันส่วนคำข้างหน้าที่ต่างกันบอกที่มาหรือแหล่งเกิดของปัญญานั้นว่าหนึ่งเกิดจากสุตะการสดับฟังการอ่านและเราเรียน 2. เกิดจากจินตะการคิดไตรตรองพิจารณาและ 3. เกิดจากภาวนาการปฏิบตัติต่อจากนั้น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 แต่ของเดิมในพระไตรปิฎกทั้งในพระสูตรและในพระอภิธรรมเริ่มด้วยจินตามายะปัญญาเป็นข้อแรกอย่างไรก็ตามในเนติปกรณ์ซึ่งพระเทรววาสายพมา่าถือเป็นคำภีหนึ่งในพระไตรปิฎกด้วยจัดรวมไว้ในคุตการนิกายแห่งพระสุทันตาปิฎกเรียงสุตตมยปัญญาขึ้นก่อนแล้วเรียกชื่อต่างไปเล็กน้อยเป็นสุตตมยียปัญญาจินตามยียปัญญา ภาวนามยิปัญญาและต่อมาในคำภีชั้นอัธกถาดีกานิยมมากขึ้นในทางที่จะเรียกชื่อเป็นสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาในที่นี้ขอเรียงลำดับปัญญาสามตามพระไตรปิฎกชั้นเดิมไว้ก่อนพร้อมด้วยแสดงความหมายสั้นๆดังนี้หนึ่ง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 ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบำเพ็ญคือปัญญาเกิดจากปัญญาสองอย่างแรกนั้นแล้วหมั่นมนสิการในประดาสภาวธรรมการที่ท่านเรียงจินตามยปัญญาขึ้นก่อนหรือสุตตามยปัญญาขึ้นก่อนนั้นจับความได้ว่าอยู่ที่การคำนึงถึงบุคคลเป็นหลัก หรือมองธรรมะตามความเกี่ยวข้องของบุคคลในกรณีที่เรียงจินตามยปัญญาเป็นข้อแรกก็คือท่านเริ่มที่บุคคลพิเศษประเภทมหาบุรุษก่อนหมายความว่าพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ค้นพบและเปิดเผยความจริงขึ้นนั้นมีได้อาศัยสุตตะไม่ต้องมีประตโตโคสะคือการฟังจากผู้อื่น แต่รู้จักคิดพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการของตนเองสามารถสืบสาวเรียงต่อไล่ตามประสบการณ์ทั้งหลายอย่างถึงทันทั่วรอบทะลุตลอดจนยังเห็นความจริงได้จากจินตามิยะปัญญาจึงต่อเข้าภาวนามยปัญญาไปเลยไม่ต้องอาศัยสุตตามิยะปัญญาแต่เมื่อมองที่บุคคลทั่วไปท่านเริ่มต้นด้วยสุตตมยะปัญญาเป็นข้อแรก โดยมีคำอธิบายตามลำดับว่าบุคคลเล่าเรียนสดับฟังได้สุตตะได้ข้อธรรมได้ข้อมูลแล้วเกิดศรัทธาขึ้นเป็นพื้นเบื้องต้นจึงนำไปใคร้ครวนตรวจสอบพิจารณาได้ความรู้เข้าใจในสุตตะนั้น<ม>ก็เกิดเป็นสุตตะมยปัญญาแล้วในขั้นต่อไปอาศัยสิ่งที่ได้เรียนสดับนั้นเป็นฐาน เขาตรวจสอบช่างตรองเพ่งพินิษฐคบคิดลึกชัดลงไปมองเห็นเหตุผลความสัมพันธ์เป็นไปชัดเจนเกิดเป็นจินตามยะปัญญาเมื่อเข้าใช้ปัญญาทั้งสองนั้นขมักขมแนนมนาสิการในสภาวะธรรมทั้งหลายพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าอาศัยหรือตั้งอยู่ในปัญญาทั้งสองนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาเราเกิดญาณ มีความรู้สว่างประจักษ์แจ้งความจริงเป็นมัคที่จะให้เกิดผลขึ้นก็เป็นภาวนามยปัญญาพึงสังเกตด้วยว่าสำหรับคนทั่วไปนี้ถึงจะได้รับสุดตะคือข่าวสารข้อมูลมากมายแต่คนจำนวนมากก็ได้แค่สุดตาเท่านั้นหาได้ปัญญาไม่ คือในข้อที่หนึ่งนั้นต้องแยกว่าคนจำนวนมากได้แค่สุตตะมีเพียงบางคนที่อาศัยสุตตะนั้นเราสามารถทำให้เกิดสุตตะมยปัญญาน่าสังเกตว่าในคำภีวิพังแห่งอภิธรรมปิดกท่านอธิบายภาวนามยปัญญาว่าได้แก่สมาปนสสะปัญญา ซึ่งแปลาตามตัวอักษรว่าปัญญาของผู้ประกอบหรือปัญญาของผู้ถึงพร้อมสมาปัญนะคือประกอบหรือถึงพร้อมนี้ในที่ทั่วไปใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายเช่นถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพประกอบการบรรพชาถึงพร้อมด้วยอิจฉาและโลภะประกอบการสนุกสนานเล่นหัว ประกอบด้วยโศการิเทวะเปี่ยมด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเป็นต้นแต่เวลาใช้โดดโดดในทางธรรมะมากมายถึงเข้าฌานสมาบัติและภาวนามยปัญญานี้อัตถกาถาแห่งคำภีวิพังนั้นไขความว่าคือปัญญาของผู้ประกอบด้วยสมาบัติอันเป็นไปในสมาบัติชื่อว่าเป็นภาวนาใหม่ ทำให้รู้สึกว่าความหมายจำกัดเฉพาะมากแต่คำภีต่างๆเช่นปร ม, มัตธรรมชุษาอธิบายว่าคำไขความดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่างโดยสาระกมุงเอาการเห็นแจ้งความจริงที่เป็นมรคปัญญาอันเป็นไปด้วยวิปัสสนานั่นเอง มีแง่ของการอธิบายที่กินความคลุมถึงฌานสมาบัติและมองด้วยกว้างออกไปพร้อมทั้งเข้าใจง่ายขึ้นด้วยคือจับที่คำว่าอัปปนาซึ่งหมายถึงสมาธิที่เป็นแกนของฌานทั้งหมดดังที่ท่านไขความว่าปัญญาที่สำเร็จด้วยอำนาจภาวนาอันถึงอัปปนาชื่อว่าภาวนาไม คำไขความตรงนี้ที่กล่าวถึงภาวนาโยงไปถึงข้อความข้างต้นที่ว่าขมะกะเมน้มานมณสิการในประดาสภาวะธรรมซึ่งก็คือวิปัสนาเมื่อวิปัสนาปัญญาเห็นแจ้งชัดถึงขีดจิตก็เป็นสมาธิถึงอัปปนาคือถึงฌานความประจักษ์แจ้งจดจิตสนิทแนวถึงกับทำให้สิ่งห ม, ม, มักหมมผูกรัดหุ้มพอกจิต ที่เรียกว่ากิเลสถูกสลายล้างออกไปจิตพ้นจากกิเลสสิ้นเชิงหรือบางส่วนก็ตามความรู้แจ้งถึงขั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างนี้ได้คือภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นมรรคยานมีความรู้ประกอบอีกหน่อยว่าในเนติปกรณ์ท่านโยงปัญญาสามนี้ กับการจัดประเภทบุคคลสี่ด้วยโดยแสดงความหมายของบุคคลสามประเภทแรกที่เป็นเวเนยยะคือเวเนยยะสามหรือเวเนยสามให้เห็นทุนเดิมก่อนจะก้าวสู่ภาวนามยปัญญาว่าคนที่มีสองอย่างทั้งสุตตามายปัญญาและจินตามายปัญญาเป็นอุคตะ ต, ติดตันอยู่ผู้รู้ได้ชบพลันเพียงแค่ฟังหัวข้อก็เข้าใจ คนที่มีสุดตามยาปัญญาอย่างเดียวเป็นวิปจิตตันยูผู้รู้เข้าใจต่อเมื่อมีการขยายความคนที่ยังไม่มีปัญญาสองอย่างทั้งสุดตามยาปัญญาและจินตามยายปัญญาเป็นเนยยะผู้ที่จะพึงแนะนำโดยฝึกสอนอบรมให้เข้าใจต่อไปส่วนปะทะประมะ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 คือมีปัญญายิ่งใหญ่เหนือคนทั่วไปอย่างที่ว่าทำกลางสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ทั้งหลายที่คนอื่นๆพบเห็นกันมาเป็นสิบปีร้อยปีพันปีแล้วกี่รุ่นกี่ชั่วคนเขาก็อยู่กันมาก็รู้เข้าใจตามๆกันมาอยู่แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาทรงมีโยนิโสมนาสิการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายในแง่มุมอื่นที่คนทั่วไปนึกไม่ถึง มองไม่เห็นสามารถคิดสืบสาวอย่างเห็นความจริงที่ลึกล้ำอยู่เบื้องหลังคิดริเริ่มใหม่ๆในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยคิดทำให้มีการมองใหม่เห็นใหม่ค้นพบใหม่ได้ความรู้ความเข้าใจใหม่และก้าวต่อไปในโยนิโสมนสิการนั้นจนเข้าถึงความจริงที่ไม่มีใครอื่นยังถึงได้ ปัญญาที่เกิดจากการรู้จักคิดโดยโยนิโสมนสิการของตนเองอย่างนี้เรียกว่าจินตามยะปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าและพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทรงมีโดยไม่ต้องอาศัยการสั่งสอนแนะนาจากผู้อื่นและก็ไม่มีคนอื่นมีปัญญารู้ที่จะมาบอกมาสอนให้ได้จึงเป็นปัญญาของบุคคลพิเศษที่คนทั่วไปไม่มี ถ้าไม่มีบุคคลพิเศษที่มีจินตามยะปัญญาอย่างนี้การค้นพบใหม่การแหวกวงล้อมหรือกรอบทางปัญญาออกไปก็ไม่อาจเป็นไปได้และคนก็อยู่ก็รู้ก็คิดตามๆกันเรื่อยๆไปในเมื่อคนทั่วไปไม่มีจินตามยะปัญญาจากการใช้โยนิโสมนสิการเริ่มคิดด้วยตนเองจึงต้องอาศัยการสะดับรับฟัง เราเรียนคำแนะนาสั่งสอนจากผู้อื่นเป็นจุดเริ่มนี่เคยเริ่มจากการสร้างสุดตรมยปัญญาก่อนในขณะที่บุคคลพิเศษข้ามสุดตรมยปัญญานี้ไปเลยสําหรับในที่นี้เมื่อแ ย, ยกบุคคลพิเศษออกไปแล้วจึงจะกล่าวถึงปัญญาสามครบจํานวนแล้วเรียงลำดับโดยถือเอาคนทั่วไปเป็นที่ตั้งดังนี้ 1. สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากสุตตได้แก่ปัญญาที่คนทั่วไปจะพัฒนาขึ้นได้โดยต้องอาศัยสุตตะคือเมื่อยังคิดเองไม่เป็นหรือคิดไปไม่ถึงมองอะไรอะไรไม่ออกไม่เข้าใจก็ต้องมีผู้แนะนำสั่งสอนบอกให้เช่นมีท่านที่เรียกว่าเป็นกันลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าท่านผู้รู้ปรูอาจาร มาแนะนำชี้แจงอธิบายจึงรู้เข้าใจอย่างความจริงได้ในระดับหนึ่ง 2. จินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากจินตะได้แก่การรู้จักคิดคือไม่ได้รู้เข้าใจในสุตตะเกิดมีสุตตามยะปัญญาจากการเล่าเรียนสดับฟังแล้วก็ฝึกโยนิโซมนสิการ ให้มองเห็นรู้เข้าใจกว้างไกลลึกรอบทั่วตลอดแยกโยงได้ทำให้ก้าวต่อไปในการเข้าถึงความจริงและใช้ความรู้ยังได้ผล 3. ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือการปฏิบัติบำเพ็ญทำให้เป็นให้มีขึ้นได้จริง โดยลงมือทำรรกับประสบการณ์ตรงหมายถึงปัญญาที่พัฒนาต่อจากสุตตามยปัญญาและจินตามายปัญญาสองอย่างแรกนั้นคืออาศัยปัญญาสองอย่างแรกนั้นพัฒนาต่อไปด้วยการมณนสิการหมายถึงโยนิโสงมานสิการที่ตัวสภาวะจนเกิดปัญญารู้แจ้งจริงที่สำเร็จเป็นมัคให้บรรลุผล ขอให้สังเกตไว้เป็นข้อสำคัญประการแรกว่าภาวนามย่ปัญญานี้อาศัยและต่อจากสุตตามย่ปัญญาและจินตามายปัญญาไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไปนั่งสมาธิแล้วมาบอกว่าเข้าฌานได้ภาวนามยะปัญญาอย่างนั้นไม่ใช่พึงตระหนักว่าคนทั่วไปนี้แม้แต่จินตามายปัญญา ก็ยังทำให้เกิดเองไม่ได้ต้องเริ่มจากสุดตามยปัญญาซึ่งสุดตามยปัญญาก็ยังไม่ค่อยจะได้มีแต่ได้สุดตะอย่างที่พูดแล้วข้างตน้นจุดสังเกตสำคัญประการที่สองคือโยนิโสมนัสิการเป็นตัวทํางานเรียกได้ว่าเป็นแกนในการพัฒนาหรือสร้างปัญญาทั้งสามอย่างนี้ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่บุคคลพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าตั้งต้นด้วยจินตามายาปัญญาโดยไม่ต้องอาศัยสุตตะจากคนอื่นไม่ต้องพึ่งปรโตโคโสักเสียงของผู้อื่นหรือคำของผู้อื่นก็คือใช้โยนิโสมนสิการที่มีขึ้นมาเป็นของเริ่มต้นในตนเองเป็นที่มาของปัญญาที่เกิดจากการคิดที่ทำให้คิดเป็นได้อย่างเฉพาะพิเศษ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 ก็คือโยนิโสมนัสิการซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีโยนิโสมนัสิการแล้วปัญญาทั้งสามนั้นก็มาได้และให้สำหริบบรรลุจุดหมายก็มาสรุปไปท้ายนี้อีกทีว่าคนทั้งหลายที่รับข่าวสารข้อมูลกันนั้นบางคนได้แค่สุตตา โดยไม่ได้ปัญญาเลยแม้แต่สุตตามยปัญญาก็ไม่ได้บางคนรู้จักมณสิกาไต ร, รตรองพิจารณาสุตตะนั้นแล้วสามารถทำสุตตามยปัญญาให้เกิดขึ้นบางคนได้สุตตามยปัญญาแล้วรู้จักมณสิการคิดพินิดยิ่งขึ้นไปก็พัฒนาจินตามยปัญญาให้เกิดขึ้นมา บางคนใช้สุตตะมยปัญญาและจินตามายปัญญาที่มีที่ได้แล้วนั้นเป็นฐานพัฒนาปัญญาด้วยโยนิโสมนสิการยิ่งขึ้นไปก็อาจทำภาวนามยปัญญาให้เกิดขึ้นได้